ปุเรชาตะปัจจัยแปสอดสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงยินดีเพลิดเพลิน เพาปราลบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้นอุทัจจะโทมนัตที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุย่อวัตถุปเรชาตะย่อสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา เบอร์ปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารฏ ค, ความยินดีเพลเพ ล, เพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมนัสที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัติมาคจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะย่อ สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารบจากสุหาทัยวัตถุขันธ์ที่สหรตรด้วยวิจิกิจฉาและโมหะจึงเกิดขึ้น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 ย่อสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะโดยปัจจาชาตาปัจจัยย่อละถึงเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยกามะปัจจัยเป็นต้นแปสิบสาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคโดยความปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแฉ่สัมพยุจจขันโดยความปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นปัจจัยแฉ่จิตตะสมุทฐานรูปโดยความปัจจัย นานาคณนกาได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภักเป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภักโดยกรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภัก เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยก a r ม a ปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักโดย k a r m ปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาติได้แก่เจตนาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตสมุทานรูป โดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคิกะได้แก่เจตนาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกัตตารูปโดยกรรมปัจจัยและถึงเป็นปัจจัยโดยวิปากะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหาระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรคปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระเป็นปัจจัยโดยวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอถิปัจจัยเป็นต้นแปดสิบสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยอธิปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัค เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือจัณชาติปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรีย์ย่อสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือจัณชาติและปุเรชาติย่อ สภาวธรรมที s s man, birthday, Heck, ่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภ์และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภ์โดยอัถิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปูเรชาตะย่อแปดสิบห้าสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภ์และที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาภ์ โดยอธิปั จ, จัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาติได้แก่ขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภ์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปั จ, จัยและถึงขันสองขันหนึ่งที่สหรู้คดด้วยจิติชฉาและโมหะเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปั จ, จัยและถึงขันสอง สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะเป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือจหชาตะปเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะโยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมภะและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมภะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือหาชาตะและบุรชาตะย่อเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระแปหเหตุปัจจัยมีหกวาระ อรารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอานันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระ อาเสวนปัจจใจมีเ้าวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจใจมีสี่วาระอินทรียาปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมัคคะปัจใจมีสี่วาระสัมำยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจใจมีห้าวาระอัติปัจใจมีเก้าวาระนัตติปัจใจมีเก้าวาระ วิคตาตปัจจัยเมฆ้าวาระอวิคตาตปัจจัยเมฆ้าวาระ 2. ปงปจนิยุทธาระแปสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคโดยอารมณปัจจัยสหชาตปปิปัจจัยและอุปาณิเสสปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัค เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิเสสะปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสสยปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอรมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยบุเรชาตะปัจจัยปัจชชาตะปัจจัยกรรมะปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิเสียปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิเสียปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย 89สภาวธรรมที so holes, itsu, also, Música, ่มีเหตุต hmm. ้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักโดยอารมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิเสสะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก โ, ıt, โดยอรมณปัจจัยสหาชาตะปัจจัยอุปนิเสียปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิตมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิตมักเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ม <im Breathe pse udos> <im> ีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิตมักและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิตมักโดยอรมณปัจจัยสหาชาตปัจจัยและอุปนิเสียปัจจัย 2. ปัจยะปัจญิยะ สสังขยาวาระ90้ณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระหนววิกตปัจจัยมีเก้าวาระสปัจจยานุโลมปัจจนาเกิบเอ็ดณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระณอธิปติปัจจัยมีหกวาระณอนันตระปัจจัยมีหกวาระ ณสมณันต ร, รปัจจัยมีหกวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระณอุปาณิเสยปัจจัยมีหกวาระละถึงณสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีหกวาระโนวิคตะปัจจัยมีหกวาระ 4. ปัจจยะยปัจญจจจิยานุโลมเกบสอง อารามณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระพึงขยายบทอนุโลมมาติตาให้พิสดารและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทะสัสนเนนะปหาตาพะเหตุกะทุกะจบ แปภาวนายาปหาตัพะเหตุกระทุกะหนึ่งปฏิจจวาระเกสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องอาารประหารด้วยมักเบื้องบนส อ, อาศายัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองโดยในนี้ปฏิจจวาระ สหชาตาวาระปัจยาวาระนิจยาวาระสังสัตตวาระและสัมปยุตตวาระเหมือนกับทัศเนนะปหาตัภะเหตุกทุกระโมหะที่สหรโคด้วยอุทะจะพึงตั้งไว้ในฐานะแห่งโมหะที่สหรโคด้วยอุทะจะแปหภาวนายะปะหาตภะเหตุกระทุกระเจ็ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลม หวิพังควาระเหตุตุปัจใจเก้าสบสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่มีเหตุมากเบื้องบนสามพึงประหารโดยเหตุุปัจจัยมีหกวาระเหมือนกับทัศเนนะประหาตัปพระเหตุตุกะทุกะอรมณปัจจัย9ก้าสห้าสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้งบนสามโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มคําว่าเพราะปรารบเหมือนกับท่านเสนะประหาตัปพระเหตุกราทุกกะ96สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้งบนสามโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารกความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาโทมนัตที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสามจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมเวดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมักและถึง เป็นปัจจัยแก่ผลและอวัชนะจิตโดยอรมณปัจจัยพระอรยะิยพิจารณากิเลสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและโมหะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเลิดเพลินเพราะปรารุ ค, ความยินดีเลเพลินจากสุเป็นต้นนั้น ราคาที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจชาโทมนัสที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ปะจักขุละถึงเป็นปัจจัยแฉอนาคตังสยานอาวชนะจิตและโมหะโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาม โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลพิจารณาฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามและโมหะเพราะปรารฏ ค, ความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นอุทจจะโทมนัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้อบนสามและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้อบนสามโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบจากสุหาทายวัตถุขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้อบนสามและโมหะขันธ์ที่โสหรคตด้วยอุทะจะและโมหะจึงเกิดขึ้นพึงทำอารมณ์คตนาให้เป็นสามวาระ อธิปฏิปัจจัยเป็นต้น๙๗สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นสหาชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมณนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสามให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสามจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสาม เป็นป history, ัจจัยแก่จิตตสมุทานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิป so ติได้แก่อธิปดีธรรมที่ม <ITH> ีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขัน และจิตตสมุทฐานรูปโดยทิ ป, ปติปัจจเก98สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักคบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออา ร, รมนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ยินดีเพล่ดเพลินเพราะทําความยินดีเพล่ดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์หนึ่งหนักแน่นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละถึงบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยะออกจากมรรคละถึงเป็นปัจจัยแก่ผลโดยที่ปฏิปัจจัยบุคคลยินดีเพล่ดเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุปเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละถึงสหชาตาธิปติได้แก่วัฏิปฎิธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบืองบนสาโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานออกจากฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุหาทัยวัตถุและขันธ์ที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื่องบนสามให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคาที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้อบนสามจึงเกิดขึ้นในอนันตระปัจจัยไม่เพิ่มเพิ่มโมหะที่โสหรโคดด้วยวิจิกิจฉาเพราะเหตุแห่งสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้อบนสามแต่เพิ่มเพิ่มโมหะที่สหรโคดด้วยอุทจฉาละถึงเป็นปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยมีฆาวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระ เป็นปัจจัยโดยนิสัย mm. ปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสัยปัจจัย99สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสาเป็นปัจจ yes. ัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอุปาณิสัยปัจจัยมีสามอย่างคือระมณูปนิสียะอนันตรูปัณิสียะและปกตูปนิสียะปกตูปนิสียะได้แก่ขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอุปนิสัยปัจจัยเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่ขันที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและโมหะโดยอุปนิสัยปัจจัยความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของตนเป็นปัจจัยกับความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของคนอื่นโดยอุปนิสัยปัจจัย ความยินดีด้วยอาํานาจความพอใจในสิ่งหวงแหนของตนเป็นปัจจัยแก่ความยินดีด้วยอาํานาจความพอใจในสิ่งหวงแหนของคนอื่นโดยอุปาณิสยปัจจัยเพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบืเ้องบนสามเป็นปัจจัยแก่ขันที่จะหอรอคดด้วยอุทจจะและโมห oh ะโดยอุปาณิสยปัจจัยหนึ่งรสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรัมณูปนิสยาอันันตูปันิสยและปะกระตูปันิสยปปะกระตูปนิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นเถอทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโทสะ โมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายเสยนาชนะแล้วให้ทานและถึงฆ่าสัตว์ทำลายสงฆศ ธ, ธาเสนาชนะเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาโทสะโมหะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายและถึงพระสมมาบัติโดยอุปาณิเสบปัจจัย สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคือระมณูปาณิสยอันันตารูปาณิสยาและปกระตูปาณิสยาปกระตูปาณิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะศรัทธาเสนาชนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม โทสะโมหะมานะและความปรารถนาโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาและที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคือรัมโนปนิสยาอนันตารูปานิสยาและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่ สัทธาปัญญาสุขทางกายเสนาสนะเป็นปัจจัยแข่ขันที่สัหรโคตด้วยอุทะจะและโมหะโดยอุปนิสัยปัจจัยแม้อุปนิสัยะขะตนาก็พึงทำเป็นสามวาระปุเรชาตะปัจจัยเป็นต้นร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักคเบื้องบนสามเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักคเบื้งบนสาโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระ ละถึงเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาศัวณปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยกรรมปัจจัยนานาคตกระมีได้ในเหตุแห่งการจำแนกสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามละถึงเป็นปัจจัยโดยโนวิคตะปัจจัยย่อปัจจัยในภวนายะตถาภะเถระทุกระปัจจเนยะวิภาคและการนับ เหมือนกับทัศเนนะปหาตัภะเหตุุกะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที magic magic mag ่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและถึงยิ่งกว่านั้นพึงเพิ่มความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของตนด้วยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสามเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื่อบนสาม และถึงยิ่งกว่านั้นพึงเพิ่มความยินดีด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งของของตนด้วยภาวนายปะปหาตับพระเหตุกะทุกะจบแปดสิบเจ็ดสวิตะกะทุกะ หปฏิจจ mm hmm. erm oh, okay. oh, okay. วาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยร้อยสองสภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่วิตกและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่มีวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามวิตกและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกเกิดขึ้นและถึงในปฏิสนธิขณะร้อยสสภาวธรรมที่ไม่มีวิตก อาศัยสภาวะธรรมที่ไม to ่ม e ีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุป <Technology> ัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกระตาตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้น หาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึน้นห er. าไทยวัตถุอาศัยวิตกเกิดขึ้นวิตกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่สัมปยุทธ์ขันอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุทธขันอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันที่มีวิตกอาศัยอหทั ย, ทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นขันที่มีวิตกอาศัยวิตกเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุตตะขันและกระตัตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีวิตกอาศัยวิตกเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีวิตกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นกระตัตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะวิตกและสัมปยุตตขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นร้อยสี่สภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดขึ้น พระเหตุตุปัจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีว er ิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีวิตกและอาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัดรูปอาศัยขันธ์ที่มีวิตกวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะวิตกอาศัยขันธ์ที่มีวิตกและอาศัยหทยวัตถุเกิดขึ้น สภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง จี่ตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่มีวิตกและอาศัยวิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนที่คณะขันสามและกตัตรารูปอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนที่คณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกตัตรารูปอาศัยขันที่มีวิตก วิตกและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนที่ขณะขันสามและวิตกอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองย่อ 1. ปัจจญานุโลมสองสังคยาวาระร้อยห้าเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ และถึงอุปนิเสียปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจัยมีหกวาระเสวนปัจจัยมีหกวาระกรมมปัจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจัยมีเก้าวาระทุกปัจัยมีปัจยและเก้าวาระวิคตะปัจัจมีเก้าวาระสองปัจยปัจนิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจัจร้อยหก สภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตกปัจจัยได้แก่ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นนาเหตุตกะโมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจจาและที่สหรโค ด, ด้วยอุทะจะอาศัยขันที่สหรโคด้วยวิจิกิจจาและที่โสหรโคด้วยอุทะจะเกิดขึ้น เพิ่มเพิ่มสองวาระที่เหลือซึ่งมีสภาวธรรมที่มีวิตกเป็นมูลทั้งสองวาระเป็นอเหตุกะไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะนะเหตุกปัจใจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมาฐานรูปอาศัยวิตกที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุตุกะกระตาตารูปอาศัยวิตกเกิดขึ้นหาไทยวัตถุอาศัยวิตกเกิดขึ้นวิตกอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะนเหตุกปัจจัยได้แก่สัมประยุติขันอาศัยวิตกที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นใเหตุกะ สัมปยุตตขันอาศัยวิตกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่ไม่มีเหตุซึ่งมีวิตกอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่สหรโครด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโครด้วยอุทจจะอาศัยวิตกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีวิตกและไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะในเหตุตุปใจยย่อเหมือนกับเหตุตุปัจพึงกําหนดว่าเป็นในเหตุตุระ สภาวะธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวะธรรมที่มีวิตกและไม่มีว no. so ิตกเกิดขึ้นเพราะในเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งมีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยวิตกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นในเหตุกะ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่มีวิตกและอาศัยหทัยวัตถุและวิตกเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองโมหะที่โสหรโควด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโควดว้วยอุททะจะอาศัยขันที่สหรโควด้วยวิจิกิจฉาที่สหรโคด้วยอุททะและอาศัยวิตกเกิดขึ้นสองวาระที่เหลือเหมือนกระเพรตุปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันพึงกําหนดว่าเป็นอเหตุกะ สปัจยปัจจนียสอสังคยาวาระร้อเจนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระนอาอรมณปัจจัยมีสามวาระน่ะทิปติปัจใจมีเก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีสามวาระละถึงนอุปนิเสยปัจจัยมีสามวาระนบุเรชาติปัจใจมีเก้าวาระนปัจฉาชาติปัจจัยมีเ้าวาระน่ะอาศวณปัจจัยมีเก้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัชาญปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีหวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สามปจิยานุโลมปัจญิยาร้อยแปดณอรมณ์ปจจัยขเภตุปัจจัยมีสาวาระณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระณอนันตรปัจจัยมีสวาระละถึงนกรรมปัจใจมีสี่วาระณวิปากปัจจัยมี9้าวาระณสัมปยุตตะปจัยมีสวาระณวิปยุตตะปจจัยมี6วาระณโนนติปัจจัยมีสามวาระ นวิคตาปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจยะปัจญิยานุโลมร9อาอรมาณปัจจัยกับเนหะถูกปัจใจมีเก้าวาระละถึงอนันตระปัจจัยมี9้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระมาเสวนปัจจัยมีหวาระรัมมปัจจัยมี9้าวาระละถึงมัคคะปัจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตาปัจจัยมีก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระสหาชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ